ต่อจากนี้ไป 15 กุมภาพันธ์ 2545 ที่สวน เอ้าเจริญธรรมสุผู้สุคนสาธุมื้อนี้ตึกแก่มาเทศเรื่อง <ไป. S 1> คืออยู่ตัวเนาะอ่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ร้อยก็มี <c ười> น่าเสียดายทุกข์เนี่ยคนเฮามันบ่ฮู้เป็นจังซี่ล่ะใครมีรัก 90 ก็ 90 ใคร 80 ก็ 80 มี 50 ก็ 50 น้อยลงก็ดีถ้า 150 มาบัดนี้มัน 150 มี 200 เอ้าเอ ผู้ใด๋ก็เห็นว่ามันหักหลายๆนี่มันแห้งสิ 10 ทุกข์ 10 มีรัก 8 ทุกข์ 8 มีรัก 5 ทุกข์ 5 มีรัก 2 ทุกข์ 2 เมื่อเหลือน้อยก็แห้งทุกข์น้อยมีรัก 1 ทุกข์ 1 19810 มะฮอด 10 มะฮอด 987654321 อาตมาลัดเอาไปเว้าหมดครูเลขมันบ่ไหวมันสิยาวนะให้อาตมาเทศภาษาโอ้ยมันสิปองบ่นี่มันไปอยู่ไทย 50 ปี 50 กว่าปีอยู่เมืองไทยเว้าแต่ไทยมันสิไปเว้าอีสานมันสิไปปองอย่างไดมันก็คุ๊กๆคักๆฟังเอาก็แล้วกันได้เทศเรื่องความ เทศูสองกันเทเท 2 กันแล้วเขาก็เอาไปถอดเทบเอาไปพิมพ์เป็นเล่มหนังสือขาย 18 ทุน 18 จักปีแล้วล่ะ 27 ปีเทศน์ไว้สองกันเทศน์อยู่มหาวิทยาลัยครูแล้วก็ไปเทศน์มหาวิทยาลัยกันเขาก็เอามาถอดเทศน์แล้วก็เอามา 8 เถียวแล้วอาตมาก็บ่เห็นโอ้คมรักนี่คมรัก ยังได้ไตร่ได้ปรองปนเป๋นใดเว้าๆไปสดๆก็ ที่หมอปิกายนี่แหละน่ะออกมาขายมาแจกมาจ่ายกันไปๆกว่าเล่มไอ้ละเอียดคิดว่าดีพอสมควรก็ ความหลักสมมติมีอีหยังแนแบ่งเป็นอัน ความรักมิตรที่ 2 พันธุนิยมนี่นะพันธุนิยมญาหรือญาติเนี่ยแหละ ชุมชนนิยม 5 ชาติ 5 ชาติ 6 จัก สาคนนิยมหรือจักรวาลนิยม 7 อ่า 7 นี่เทวนิยมหรือปะมาทตมันนิยมอ่า 7 เทวนิยมหรือปะมาทตมันนิยม ฤลโลกุตตรนิยมนะ 8 8 นี่มีหลายชื่อ 8 นี้ 8 มิติความรักที่ 8 นี่ 9 นิพพานนิยม 9 10 พุทธภูมินิยมนิยม นาศีพมิติความฮักนี่เป็นจิตจิตเฮาสิอยู่ไสก็บ่ฮู้ทั้งนั้นแหละ คือในเรียกว่าโน้ตเฮานี่เรียกว่าคูหาสยังเอิ้นว่าคูหาสยังในหินอยู่ในอาศัยคูหาสยัง กวงศอกเหง้าว่าหนาคืบนะร่างกายนี่กวงศอกเหง้าว่าหนาคืบมันอาการมันอยู่จังได๋นักปฏิบัติธรรมนี่ต้องอ่าน อาการชอบใจพอนะอาการจังซั่นน่ะเว้านี่ก็พอฟังโอ้โหแม่นมาบ่แห่งแล้วผ่านมาลังเกิดบางคนน่ะเกิดฮักแห่งเป็นฮักกับผู้หญิงเนี่ยลังเทื่อบางคนผ่านมา 10 เถียวแล้วอืม บกเพชรโบราณหักเรื่องเพศมิติที่ 1 กามนิยยมหรือมีเมถุนนิยมเอาละเอาความหักก่อนนิยามความหักจํากัดความ คําเมือมันผูกพันขึ้นติดยึดขึ้นไปเริ่มเห็นแก่โตแก่นั่นแหละความหักแนวนั่นน่ะความหักศิเลวขึ้นเรื่อยๆคันมัน แค่เห็นแก่โตเท่านั้นความหักนี่เห็นแก่โตจังซี่นะความหักเนี่ยหักอีหยังก็แล้วแต่หักเงินหักค่ําหักกองแก้วอีหยังพุ่นนี่มัน แน่ๆเต็มๆเท่านั้นเท่านั้นล่ะอาการชอบใจลดขณะการชอบใจยินดีดูดดึงเนี่ย เข้าไปเห็นว่าโอ้ยความฮักนี่คั่นแม่นมันแน่นเท่าใดมันผูกพันเท่าใดแห่งความฮักมีค่า ต่อสเตท 2 คนตัวนี้ไม่ออกขยายออกไปเพื่อผู้อื่นด้วยขึ้นๆเลยรักสูงๆเลยมันๆฟังให้ดี ได้ฟังธรรมะก็สิคิดจะเสียล่ะไผก็คิดจะแสงแม่นบ่เห็นนักประพันธ์นี่โอ้ยหวาดความฮักนี่สิต้อง 2 เฮาบ่ดูดดึงแบบนั้นน่ะรถต้องไปรถต้องไปความรัก จบอยู่ไสล่ะจบกับเพศสัมพันธ์จบกับสืบพันตอเผาตอพันนี่เป็น บนาเวลาเพราะว่ากลางเว้นกลางคืนเลยเดี๋ยวนี้น้อยเศร้ากลางวันแล้ง เออศิลปะขี่ม้าอีหยังศิลปะหลอกให้มันเกิดกิเลสศิลปะคือมงคลอันอุดมเออศิลปะนี่พระพุทธเจ้ามัน เขียนภาพเปลือยหรือว่าวาดภาพเปลือยปั้นภาพเปลือยก็แล้วแต่วาดออกมาคนเบิ่งปั๊บกิเลสมันหดลงไปนี่ล่ะศิลปะคั่นถ่ายขึ้นโอ้ยมีแต่คนสิสั่วลงคนนี่มี เออบ่หลอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองบ่เข้าใจก็หลอกกันไปติดแล้วมันก็ได้เงิน มันก็เครียดจักหน่อยเรื่องมดขาเฮาเท่านั้นติอ่าอาตมาก็ยังบ่ทันอยากตายปานไดอ่ารักษาชีวิตไว้ซะก่อนนะบ่ต้องไปหาเรื่องกับมันหลายก็เว้าให้ฟังซื่อๆเนี่ยอ่าเสื้อก็เสื้อบ่เสื้อก็แล้วไปนะสรุปแล้วความนั่นแหละ คืนดีกลัวอีหลีดีกว่าคนเฮานี่มันบ่ฮู้มันแล้วก็แล้วคนมีเห็นแต่ความโตอย่าเห็นแต่ เอาเป็นของตนของตัวอย่างเดียวนะเป็นของตัวเองอย่างเดียวเอิ้นว่าอัตตาแท้ๆเต็มๆโดดๆ มันสิเอาผู้หญิงนี่ไปของโตอย่างเดียวบ่เห็นกับผู้หญิงเด้อเรื่องเทือนี่ตีทุบต้นเทือขาถิ่มเลยมันได้แก่โตขนาดนั้นแม่นบ่ ผู้หญิงนี่คมเอาเลยเคี้ยวเลยโอ้ยแล้วแต่เอาครูยางอ่าเงินแล้วแต่ไปใช้หูแต่จังสิบ่ เอาเอาเป็นขี้ข้อยเอาเป็นขี้คาเอาเป็นคูเเสบเอาเป็นของที่เฮาสิได้รับประโยชน์น่ะบ่เอิ้นว่าความฮัก ผู้นั่นน่ะแห่งสิมีคุณค่าของความรักเพิ่มขึ้นตื่มขึ้นน่ะเพราะว่าความจริงนั่นน่ะเห็นแก่ตัวเห็นมันบ่ เป็นสัจจะแล้วล่ะเป็นความจริงน่ะล่ะความฮักบ่แม่นความเนี่ยหลอกกัน พวกที่ยังบ่เคยเข้าใจก็บอกว่าความรักคืออะไรความนะมันต้องมีความเพราะ น้าออทออทเททีมันเป็นกิเลสโลภความเห็นความฮักที่มันเฮ็ดแก่ตัวน่ะมันเป็นความมันเป็น รักอีหยังก็ต้องการอันนั้นให้เจริญต้องการอันนั้นให้ดีตัวคืออาการชอบใจอาการยินดีอ่าแล้วก็มีความปรารถนา แห่งเหี้ยนหู้ความรักที่มันมีอาการที่เป็นการเสียสระตัวตนเสียสระควบเห็นแก่ตัวออกไป มีมิติที่ 1 แคบที่สุดเร็วที่สุดนะเอามิติปิตุปุตตานิยมปิตุก็ โคบากะเพื่อแพออกไปนอกจาก 12 คนเท่านั้นก็เผื่อพ่อมีแม่พ่อแม่กับลูกมีลูกผู้นึงพ่อแม่ก็มีลูกขยายครอบครอบออกมาคนพ่อแม่เท่าเออบ่แม่นแต่ของตัวของตนไอ้ไหนก็ เอาแต่แคร์อยู่กับลูกเท่านั้นล่ะผู้อื่นพี่ป้าน้าอาญายายบ่เอาบ่ให้ขี้เหนียวเพื่อจะสิให้มากคือสิพอเข้าใจมันยังแคบ มันก็เป็นความรักที่บ่มีราคาความรักที่เฮงแก่โตแคบๆมันซั่วอยู่ 2 คนเท่านั้นก็แม่นอยู่อ่า 2 2 มีที่ 3 บัดนี้เพื่อแผ่ มีปู่ย่าตายายขึ้นมายาตินิยมนะหรือโคตรโคตรตรณิยมเพื่อออกไป ราคาครอบหาก็สูงขึ้นกว่าเก่าสูงขึ้นกว่ามิติที่หรือเป็นญาติญาติตินิยมหรือโคโคตระนิยมหรือโคตเป็นญาติเป็นโคตเป็น ญาติโคญโยติกาสายเลือดอยู่เท่านั้นกว้างออก สูงขึ้นไปกลัวโคตรกลัวญาติโยมญาติที่โกโยม 4 ชุมชนนิยมหรือสังคมชาติ ชาตินิยมหรือรัฐนิยมเข็นแก่ชาติเห็นแก่รัฐกว้างขึ้นบัดนี้กว้างกว่าชุมชนกว้าง มีความมักยินดีชอบใจกันกูลเอื้อเฟื้อเชื้อชานบ่เห็น คนจะไปบริหารไปเป็นนักการเมืองนี่ต้องมีความรักระดับนี่เลยคั่นความรักสังคมนิยม มาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักสังคมเอ่อสิมาบริหารสังคมมาเป็นสส สจ. ยัง wall มีความหักในในระดับมิติที่ 5 ขึ้นไป 5 นี่ต้องเป็นชาติ แต่ว่าเขาเฮาบ่บ่ฮู้จักอารมณ์บ่ฮู้จักอาการของจิตวิญญาณหรือของใจ แห่งมีโอกาสกิเลสมันเห็นแก่ตัวแห่งมีโอกาสได้ <ítulo> เข้าสิหวงแยงให้ลูกให้หลานนี่บ่ให้ผู้อื่นนี่มันบ่แม่นความผิดแต่ อ่ามีติฐิ 5 นี่มันจะต้องผู้ที่จะทํางานเพื่อแผ่ซอยเหลือประเทศชาติซอยเหลือรัฐมันต้องมีความผักปิจจิตใจจิตวิญญาณในเนี่ย ขั้นมีจิตใจแบบเนี้ยขั้นเฮาสังเกตหรือบ่อ่านคนในถิ่นนี่แหละเฮาฮู้จักดีว่าเออคนนี้มีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจบ่เห็นแก่ อ่าสิฝ่าไปไกลฮอดอเมริกาได้ไปมันบ่ต้องไปเผื่อแผ่มันหลายดอก เวลาติวันเกิดเพาะว่าต้องไปทําต้องไปมีของขวัญให้นายโอ้ยหาเงินเป็นพันเป็นหมื่นเอาไปที่จริงไปติดสินบนนั่นนาคนเฮามันสลาดขี้โกงในใจคั่นเอาของสิไปให้เจ้านายราคาแพงๆแน่เจ้านายเพิ่นสิได้หัก อันนี้น่ะมันขี้โลบอยู่มันบ่ได้ไปให้ดอกมันบ่ไปทานดอกเป็นของ เนี่ยเอาของไปเอาของราคาแพงๆเสือได้โอ้ยของราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไปให้อยากได้หยังแลกคืนมาจากหน้าจากผู้ที่มีอำนาจบ่ได้เป็นทาน จะเคยสอนศาสนาไปถึงประเทศต่างประเทศไหมนะมีไหมที่ต่างประเทศมีไหมเครือข่ายของชาวอโศกไปอยู่ต่างประเทศไปที่นั่นที่นี่ประเทศโน่นประเทศนี้อาตมาบอก อาตมาเอาสมเมืองไทยนี่เท่านั้นน่ะสิบอกว่าอาตมามีครอบ ท่านขั้นว่าเกินตัวเองตัวเองนี่มีเหื่อนี่ดีขึ้นได้นี่อโศกนี่แต่ก่อนนี่เอ้ย 100 เอทนี่ยังถ่ายรูปป้ายมาเลยป้ายเพิ่นต่อ 100 เอทตอ 100 เอทก็อบล่ม เข้าหมู่บ้านแล้วแกก็พอทําเป็นถ่ายภาพมาแล้วเค้าเอารูปไปกันในนี้ฮะเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่บอกครับได้ไปโทรถาม อ่าจริงๆน่ะข้าราชการปลัดจังหวัดในอำเภอขาหลวงหรือแต่พวกที่ตอตานี่มันฝ่ายๆพวก อ่าแล้วก็ค่อยว่าไปเฮาก็เฮ็ดไปตามแบบสงบแบบเรียบร้อยเรียบร้อยบ่ไปตีลั่นฟันแทงบ่ไปต่อเอ่อเรียกว่าฟันต่อฟันแข้วต่อ ป่าระเบท้ายหูเมื่อวานนี่เขาก็เห็นเขาก็หูก็ยังเว้าอยู่เมื่อคืนนี่บ่อก็ผลมันคือสิมีผลสิดีหรือเสียยังบ่ทะหนอทางหรือว่าของสาธารณะ คือว่ามันสิเฮ็ดได้บ่ได้จังได๋ก็คือสิได้เป็นเรื่องขึ้นอื่นคั่นบ่ น่ะว่าไปอ่าคือตั้สิม่วนเนาะเออไปแต่บ่ไปซ่อยกันเด้อไปแต่จังได๋ไกลๆ มิติที่ 6 อ่าสากลนิยมหรือจักรวาลนิยมนี่กว้างขึ้นไปอีกก็คือสิฟังเข้าใจอยู่ตนเนาะติดน่ะสวน ใช้ปัญญาขี้โกงติดเอาปั๊บๆเป็นของตัวเองเรียบร้อยเลยนี่อ่าเนี่ยที่นี่ยินดีซอยให้คนศึกษาฝึกฝนแนวเนี่ยนะที่นี่มีตี จักรวาลนิยมน่ะมิติที่คือความรักระดับพระเจ้าระดับศาสนาที่มีพระเจ้าสูงสุดนี่เป็น น่ะโอ้ความรักพระเจ้านี่ใหญ่เด้ความรักมิติที่ 7 นี่เทวนิยาม บ่คือว่าบ่มีการถือโกรธถือเครื่องเป็นความรักทั้งด้านเขาสิมาหายเขามาเฮาก็บ่ นะลดความเห็นแก่ตัวออกไปบ่เห็นแก่ตัวบ่โลบนะต้องมีจิต เป็นจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณใหญ่จิตวิญญาณที่บ่มีเกียรติมิชั่งคลุมค้อง จิตใจเฮามีเหตุปัจจัยมีกิเลสที่มันพาไปบ่ดีลืมถ้ามันโลภก็บ่เอาเลยหา อันมันอยู่ในใจเรื่องบ่ดีนี่มันเป็นกิเลสอยู่ในใจนี่บ่ฮู้จักบ่เฮียนทิ่ม ฝึกให้ตัวเองมีแต่จิตดีๆให้จิตดีๆทิมบ่ฮู้ซ่ําอีดีนี่คันเห็นหน้าให้ทิมโลดน่ะเป็นวิธีการ พากันเฮ็ดแบบนี้จวมศาสนาของพระเจ้ามีนิติที่ 7 เนี่ยนิติที่ 7 มีนิติที่ 7 เนี่ยคนมักคนมักจวมศาสนาพระศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอีหยังมื้อนี้ฮินดูศาสนาที่มีพระ ทางบ่ดีบ่เอามาเว้ากันเรื่องบ่ดีบ่มาเว้าถิ่มดีมันก็เว้าแต่ดีติล่ะมันก็ม่วนเนาะเว้าโน บ่เอาใจใส่มา 73 หัวสาจะเอามาดีสร้างจิตหวมมามันก็ จิตใจที่ดีเฮ็ดแต่เรื่องดีๆนํากันก็โอ้ชื่นชมแต่เรื่องดีๆเรื่องยังไปมันยกย่องกันส่งเสริมแต่เรื่องดีมีแต่เรื่อง เพราะว่าตั้งใจอีหลีเค้าตั้งใจศึกษาไปหาจิตวิญญาณ เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าวิตติกมกิเลสกิเลสจับๆเนี่ยมันขึ้นมาทํางานง่ายๆเนี่ยกิเลสเล็กลงไปอีก แฮงบ่ฮู้บ่เห็นมันเลยแฮงกดไปกดเป่ายังทับ อ่ามีตีติ 7 เนี่ยเป็นมีตีติหัดดีบ่เอาบ่ดีควบบ่ดีบ่เอาเลยทิ่มซื่อๆนี่ทิ่มจิต สร้างความดีจิตประเสริฐสร้างแต่ความดีอย่างเดียวแต่ความหุบสัวบ่อ่านไปถึงหลากเห่าบ่ไปทําลายบ่เทวนิยมพอ 8 นี่อเทวนิยมมิติที่ ส่วนเทวะเทวดานี่บ่ต้องไปหัวซาปานไดอะเทวะบ่บ่บ่ต้องไปหัวซา ศาสนาพระพุทธเจ้านี่บ่บ่เห็นบ่บ่เชื่อบ่จังซั่นสิมีจริงข้าเทวดาซอยได้อ้อนวอนได้ ขณะที่เกิดมาเนี่ยนะในเมืองอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยก็มีศาสนาพราหมศาสนาฮินดูศาสนาอย่างตัวศาสนาอย่างนี้นะศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามยังไม่ได้เกิด ศาสนานักนักถือพระแนวนั้นแนวนี้ อับราฮัมน่ะเค้าก็ตั้งสื่อขึ้นมาเอิ้นนั่นล่ะเอิ้นพระพรหมเอิ้นพระรามเอิ้น นับถืออย่างเช่นอีหลีแล้วเขาเฮ็ดอีหลีมันก็มีกําลังใจคนเฮาก็ๆนี่เป็นกําลังใจขนาดหนักขนาดแท่งเลยเฮ็ดอีหยัง เขาก็ใช้วิธีนี้แหละ 2,500 กว่าปีถ้ํา 8 อเทวนิยมหรืออรหันนิยม อาริยนิยมลึกนิยมว่า 9 จะเสนิพพาน 8 นี่อาริยะนิยมหรือโลกุตระนิยมอ่าเป็นอะเทวะ ถิ่มเลยนะถิ่มสมบัติพัสถานน้อยลาภยศ บod ติดปอยศแต่มักสรรเสริญอยู่ได้พวกหมู่นี้สรรเสริญผู้ใดก็ยกยอยก เออผู้ใดเฮ็ดดีเอ้าเขาก็เฮ็ดดีดีนี่เขาเสียสละเอ้าก็ต้องยกย่องเขาติมีคนม่อ กามบรมกามคุณเค้าก็ฮู้เรื่องกามเรื่องโลธราคะเรื่องพวกนี้เค้าหรือแม้แต่อัตตาถือตนถือตัวยึดติดในความฮู้ยึดติดในความเห็นยึดติดในความเชื่อถือ เขาก็ลดกันลงมาลดกันลงมาเรื่อยๆๆๆเอ้ยความพอดีความพอดี ชนิดที่ต้องรู้จักความเป็นคนรู้จักจิตวิญญาณเฮียนรู้ระดับมนุษย์ 8 ก็สิ คนเฮาก็ญาติกัน 8 นี่ก็สิโห่ท่านขึ้นมาโอ้ วัตถุๆมื้อนี้น่ะมันบ่แม่นศัพท์แท้หรอกเฮาห่อแต่อ่าตัวเองก็เข้าใจว่ามันสุจริต เดี๋ยวจะค่อยบอกบอกนั้นสมมุติว่ามาสุจริตสจริตกรเฮาก็เชื่อว่าสุจริตหาได้โอ้นี่ได้มาสาติได้มา 100 ล้านกอดเอาไว้เด้อนี่ 100 ล้านก่อนตายกอดไว้ละลายไปกับตัวเองไป ห๊ะอ้าวเป็นทรัพย์เฮาแน่เด้อกอดเอาไว้นี่ก่อนตายก็กอดไว้แล้ว หมดแม่นซับอีหลีมันหมดแม่นซับอีหลีน่ะเป็นกรรมกรรมเป็นของของตนกรรมคือการกระทําเจ้าว่าเจ้าไปหาเงินมามันจะสิได้ 100 ล้านทุนนิยมเป็นแบบใดทุนนิยมนี่เขาก็ซื้อก็ขายกันอย่างเอาเปรียบเอา เวลาขายนี่ทุนนิยมเขาขายจักบาททุนมัน 10 น่ะซื้อขายเท่าไหร่ 12 น่ะเป็นธรรมดาขาย 30 ได้โอ้นี่ 10 นึงขายได 30 ไปเอาเปรียบเข้ามาไป 20 ถื่นมัน 10 เดียวไปขาย 30 เอาเปรียบเข้ามาอีกซ่าวนึงกําไรเพิ่นเพิ่นว่าดีใจสะรองได้ได้ขายได้ ชั่วหลายตื่มเข้าไปอีกเมาน่ะมันก็ตื่มแล้วเมาก็ แล้วยกมือขึ้นเบิ่งโดนี่แหละมันคนเฮาบ่เข้าใจพวกบุญนิยมพวกเฮานี่เอิ้นบ่ ย่างเมื่อบ้านเอาหัวย่างกับเมื่อบ้านเลยบัดนี้มันกันใด๋เว้ย 10 ขาย 9 เพิ่น 10 ขาย 12 ขาย 15 เพิ่นว่านี่นี่บ่ได้เว้าได้นี่มา บอกไผมันคือซื่อคือว่ามาขาดทุนออกบ่เนี่ย 10 ขาย 9 นี่บ่ไปเบียดเบียนภัยแม่นบ่ 10 ขาย 15 แบดเบียดเบียนเค้าบ่ล่ะอ้าวฟังให้ดีเด้อให้อาตมาเว้าผิดตะท่วงโลดเด้อธีรสัจธรรมความจริงคนเฮามันบ่เคยผิด ข้อบ่ฮู้จักสัจจะธรรมมาเฮียนสัจจะท่านอ๋อตัวเองนี่เฮ็ดบาปมาเท่าใดเนี่ยจังหวะอาตมา สัพจะทำเลิกเลิกตั้งแล้วนะผู้หญิงเลยอกหักก็เลยหนีมาบวชเพิ่นว่าโอ้ยมันหาเรื่องหาราบาปกิน หลายคน 2 คนมาเห็นกับอาตมานี่รถคว่ําตายหลายคนภัสศรีวราพรเป็นเจ้ายัง 17 ไปภัสศรีวราพรมาจากไสสอบ โอ้ศออัตมาอัตมาก็บอกความจริงว่าอัตมาเป็นแล้วมาเอา น่ะฟ้องผู้ใหญ่เฮ็ดหยังจัดการอาตมาจนกระทั่งขึ้นศาลกันไป 10 ปีเพิ่นจนอาตมา อาตมาก็บอกอาตมาบ่สึกบ่สึก 7 วันผิดกฎหมายเพิ่นว่าให้มีปรับเดือนปรับ 2,000 บาทเพิ่นว่าอาตมาก็เออติดคุก 6 เดือนด่าหัวแล้วเพราะกฎหมายบอกบ่มาเออติดคุก บ่สึกให้ผู้ภักษาผู้ใดมาตัดสินมันก็ผิดแล้วเว้าก็กฎหมายบอกว่าให้สึกคั่นบ่สึกก็ผิดว่าซั่นเอาก็ผิดตะ เล่นกฎหมายกฎหมายบ่แม่นของพระเอาทําเอาวินายของพระพุทธเจ้าเฉพาะอาตมาก็เลยรอลงอาญา 2 ปีอ่าบ่ได้เอาเข้าคุกอีหลีก็อยู่นอกคุกติดคุก 6 เดือน 2 ปีน้อ 2 ปีก็ 2 ปีไป 2 ปีแล้วอาตมา อัธมาก็อยู่ของอาตมาเจ้าศรีล่ะมันก็เป็นเรื่องที่นี่พวกนั้นก็ติดอยู่นี่เจ้าศรี อาตมาเป็นตกเป็นเคารพว่าด้วยว่าตั้งแต่เมื่อท่านบวชน่ะอาตมามี กำไรจะต้องเกินทุนแม่นบ่แล้วมันเอากำไรบาปจักเท่าใด๋นั่นน่ะเอาไปถมทะเลเลยบาปนั่นน่ะ ทุนมัน 10 บาทคั่นเจ้าขายนี่ 10 บาทอ้าวก็จะเอาไปนี่ทุนมัน 10 บาทเขาก็เอา 10 บาทมาให้เจ้า 10 บาทแลกกันมันก็เจ้ากันแล้ว บ่เปะบ่ได้เอาเปะบ่ได้เอาหยังกันน่ะนี่ 10 เจ้า 11 อ้าว 11 นั่นน่ะค้าค้ากำไรเอา 15 เอ้าบ่ได้แฮงนี้แม่นบ่เอา 20 นี่ล่ะความคิด ปฏิบัติบุญนิยมนี่สิแก่กลับสิแก่กลับหลายได้บ่ล่ะทุน 100 ไปขาย 90 มันสิอยู่ได้อยู่ได้เพราะว่า นี่เฮาต้องใส่ความคิดนี่เฮาต้องใส่กำลังงานอยู่ในนี่มันเฮ็ดหนักกว่าเด้ แฮงผู้ใหญ่แฮงเฮ็ดน้อยแฮงเฮ็ดเบาแฮงเอาราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นค่าความฮู้เพิ่นว่าเอาฮู้ก็ดีแล้วนี่อาตมาก็ฮู้อาตมาบ่มักคิดค่าความฮู้ความแฮงเนี่ยของอาตมาอาตมาก็เสียศรัทธาสิอาตมาแฮงหัดตัวเองให้กินน้อยลงๆขึ้นอาตมาก็ติล่ะเสีย เอ่อขนมติดอนันตนิติดกาแฟติดยังกะเลิกมาเลิกมาเลิกมาเรื่อยๆมันก็แห้งน้อยลงน้อยลงก็กิน เขาก็へโฆษณาอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็โนอันนี้ แฮงมีน้อยลงไปให้ได้แฮงไส้น้อยลงไปให้ได้แฮงเก่งคนเฮาแมงแฮงมีน้อยแฮงไส้น้อยแฮงมีน้อยแฮงไส้น้อยแฮงเก่งขนาดมีหลายไส้หลายขึ้นมีหลายก็ไส้หลายขึ้นมีหลายไส้หลายขึ้นแฮงดีๆจังว่าคนรวยเมื่อแล้ว 2 อ่านคอลัมน์เขาเขียน ลูกลูกลูกโทนลูกลูกชายลูกชายผู้เดียวของนายกนายพานทองแท้ มันหลายจนมันจั่งนับบ่ท้วนน่ะคึดเบิ่งดูล่ะนั่นล่ะมีหลายก็ใส่เมื่อยเมื่อย จังหวัดศาสนทคลินิกเขาบอกว่าจะเอาอูดรอดรอดลูเข็มนี่ยากเชื่อบ่ล่ะเอาอูดรอดหูเข็มเนี่ยมัน ยากเอาอดรอดฮู้เข็มนี่ยังง่ายกว่าก็ คนจนๆก็คือหมู่โอ้ยรถยนต์ก็อยากได้รถแท็กซี่ก็อยากได้รถเก๋งก็อยากรถดักเก๋งก็อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ก็อยากได้อยากได้หั่นอยากได้นี่บ้านบ่มีก็ มันก็ผ่านแนวเดียวกันเห็นมันไปตั๊ดมันไปจังหวัดไอ้นี่ดีไซเนอร์ สรุปรีที่ทุนนิยมนี่คนรวยเนี่ยมีแต่บาปกับบาปตื่มเข้าตึงเข้าตึงเข้าตึงเข้าตึงเข้ารวยหลายเท่าใดก็แฮงบาปข้อว่าเอาเปรียบกับ จังหวะพวกนายทุนหรือพวกที่เอิ้นว่าทุจริตนี่ได้เงินมาแสนล้านพันล้านตายไปก็มีแต่บาปเอาเงินก็เอา เปรียบเค้าหลอกเค้าให้ตายใจหลอกเค้าให้เสือนี่นะแห่งบาปหลายกว่า เอามึงเอาไปอ่ารักษาตัวรอดซะก่อนโจรแบบนี้เฮาก็ยังเอ้าให้ไปเลยบ่เสียรูปแม่นบ่ บาปซ้อนเลยบัดนี้นอกจากเจ้าสิต้องถือเขาคูเอาไป คันใส่เสือนอกได้โอ้ยพูดดีจังซั่นจังสิมาเนี่ยโอ้ยเจ้าแล่นเข้าใส่ไปกราบเข้าส่ําแล้วค่อยไข่เค้าเห็นบ่ความความลึกซึ้งซับซ้อนโอ้ยให้โง่ตื่มเลยโอ้ยสัวปานหยังโง่ปานหยังเข้า นะจังดีใจเติมซ้ําอีกยกตัวอย่างจังสิล่ะจังว่าพระร้อยเอ็ดเค้าสิ <c oughs> 2,000 ซื้อละ 5,000 เอา 2 ซื้อก็ 6,000 3 ซื้อ 6,000 ซื้อแต่ 2,000 3 ซื้อก็ 6,000 4 ซื้อเอาติล่ะ ยะถาวริวรรหะส่งไปให้ปู่หญ้าเด้อยะถาวริวรรหะเงินเข้ายามเข้าเป็นยามของพระแล้วเรียบร้อยยะถา ไอ้พิมพ์ตัวเลขพันนี่แต่แป้งปลอมคงเต๊กเจ้าไปซื้อ 10 ให้มาหลอกเศาะซอนต่อไปอีกก็ดีใจโอ้ยส่งไปให้พ่อให้แล้วหลายแสนหลายล้านอ่าหลายแสนหลายล้านเด้เผาส่งไปหลายแสนหลายล้านแต่ว่าเวลาเขาไปซื้อเขาบ่คิดต้นแสนทั้งล้านก็คิดหมื่นนึงแต่หมื่นนึงใส่กระเป๋าเขาไป แล้วผมผมเจ้าไปเฮ็ดนี่โง่บ่ทำบุญให้ผู้ตายถามขอถามหน่อยว่าพระผู้ที่สิให้ 20,000 นี่ญาติน้ําส่งไป 20,000 ให้ผู้ อ้าวบ่ฮู้ซื่อบ่สิส่งถึกซั่นเนี่ยน่ะหลอกสอนกรรมมสโกมหิ บ่เฮียบ่หัวบ่ซึมบ่ไหลบ่หนีบ่มีหัวบ่มีเฮียสัตว์เห็นนะเจ้าไป เอาโยนทิ่มได้บ่เอายังลบๆได้บ่ศาสนาพุทธเฮาเป็นเองแบ่งให้ใครไม่ บ่เอาก็บ่ได้บ่เอาเป็นของสัวเฮ็ดแล้วแล้วเจ้าเฮ็ดอีหลีนั่นนะเจ้าเฮ็ดบ่เอาเอาเองบ่รู้เว้าเองกับภิกษุนี่เห็นศาสนาพูด หรอบ่ทันตายไปจากกันนี่กับบ่สิมีบุญน่ะเนาะบุญในตัวอาตมาแล้วแต่นี่มีซ่ํานี่ล่ะเอาเลยแจกใครอยากได้บุญ เนี่ยบุญอาตมามีอยู่เว้าอีหลีเนี่ยเอ้าแบ่งเอาไปได้บ่ล่ะบุญน่ะอ้าวแน่ใจ โอ้ยแต่ต้องเป็นๆอยู่นํากันเพิ่นมักกินมกใส่ปลาคออ้อขึ้นฮอดพ่อได้โอ้ยบ่แป้งโอ้ยยะคู่ส่ง พ่อใส่ประคอมกแต่ๆใส่ปลาคอหมกน่ะเฮ็ดอย่างดีเลยไปถวายยะตุ่ยๆลงกระเพาะอ้าวโยมส่งไปให้พ่ออ่าประเณติสักครั้งสวด ขามาใส่ประคอออกจากท้องพระบ่ไปบ่พ่อแม่นี่แซ่บนัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ศาสนาพุทธเนี่ยมันไปหลายแล้วขายพระเครื่องขายน้ำหมูกน้ำมนต์ขายอันนั่นอันนี่อ่าพระผัวเก่งไปแล้วยิ่งบ่ มันอีลีเนี่ยนะกระส้วงกระล่าห่มเอาไปโลดพระผู้เนี่ยเก่งๆนี่เอาไปเลยเอากระส้วงกระล่าห่มอันใดเก่งๆเสกของ ก็ยิงบ่ออกเนี่ยฟันบ่เข้านี่เอานิ้วมือนี่ไปจิ้มหน่วยตามันโลดจิ้มมันโลดเอามือยันปืนมันเอาไว้มึงยิงยิงบ่ออกอ่ะบัดนี้ก็เอานิ้วมือนี่แหละจิ้มอู้ตามันโลดมัน เอาพระนี่ล่ะพระเก่งๆนี่ในเมืองไทยนี่หลายผู่หลายคนอยู่ดพบงไหนเก่งๆเซ่นไปแจกบ่ต้องไปย่านรับรองบ่ในประเทศในโลก แม่นบ่นํามันอีหลีอีสมว่าล่ะมื้อนี้ได้บ่ล่ะหลอกเศรษฐกิจบ่มหานิยมรวยๆๆๆก็เอาพารวยๆไปโลบไปให้กระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีๆมาให้พระมุนีเป่ากระหม่อมให้เฮ็ดให้หมดหรือได้นั่นๆแนวใด๋ล่ะได้มันพามหานิยมนี่ไปแล้วรวยไปแล้ว <têm S 1> 62 ล้านนี่ให้หมดผู้ครูผู้ครูคนหน่อยมันบ่จนดอกร้อยหมดนั่นล่ะมันแม่นอีหลีบ่ล่ะมันเป็นไปได้อีหลีบ่ล่ะคั่นอีหลีก็เฮ็ดติล่ะสิทั้งไสยศาสตร์พวก เฮ็ดมาหมดแล้วมันก็มีอีหยังที่น่างึดอยู่คือกันแต่ พระพุทธเจ้านี่จนรวยๆอ่ะต่อเบิ่งดูพระพุทธเจ้าได้บ่เอาจากชายศีลศรัทธาได้เอามาบวชแล้วได้อย่าสิไปเอาผู้อยู่ในวังพระพุทธเจ้าจนรวยๆบ่มียอมน้ําฝาดหุงห่มแม่น เอาอะติมีผาคารวาสเค้าถวายแน่ก็แล้วแต่ก็มีอยู่ซะล่ะซ้ําห่ม ปาน้อยๆนอนอยู่ถึงแผ่นหินตายวัดถึงแผ่นหินบ่มีหมอนบ่มีเสื้อพระพุทธเจ้านะสุดท้ายคนคือกันพระก็เป็นคนคือ แล้วมันสุดยอดมันก็จะต้องใครเป็นเจ้าโลกได้ จนสุดท้ายมันโอ้ยแนวนี้แหละมันดีไอ้ไปกินเป็นเจ้าโลกจังซั่นน่ะมันบ่ได้ 10% บ่เนี่ยเว้าๆให้ฟังเนี่ย เสื้อน้อยนึงบ่ฮะเพเสื้อลายเตើบลายเตើบอยู่น่ะโอ้ไปตาดีใจเว้ยจนออกจากนี้ไปเนี่ย ผู้ใดสิบ่ทํามาหากินอาตมานี่ก็มาทํางานหากินเด้อนี่อาตมาหากินคือกันนี่มานี่ก็มาทํางานนี่โอ้นั่งรถมาเนี่ยน่ะมาทําหากินมาทํางานเนี่ยจักหน่อยก็กิน เขาบ่ให้นอกก็บ่เนี่ยร้อยเอกเขาบ่บ่เอาบ่ได้ก็หนีเข้ามาอยู่นี่แต่ก็สิไปอยู่เด้อลองๆอยู่เบิ่งคั่นเขาบ่ให้อีลีเลยเขาสิหัวสิหาน้องเข้านะนี่เป็นสัจธรรมนี่ ว่าเป็นเฉพาะราคาที่ซื้อมานี่ลบต้องรวมแรงรวมอะไรกันเริ่มบอกแล้วเนี่ยมันต้องรวมค่าแห้งน้ําคนเฮาซื้อมามันก็รวมค่าแห้งเฮาค่าแห้งเฮาก็คิดแพงคิดแพงมันก็แพงดิล่ะทุน หรือสามารถที่จะเสียสละแม่แต่อ่าจะสิฮู้จะสิเข้าใจนะเรื่องมื้อนี้มันก็เว้าเดี๋ยวนี่ <c oughs> ที่วิชวนิฟังตอนสุดท้ายนี่ก็คือในรัฐธิของปากใหญ่ปาก ซอยเหลือตัวน้อยแทนที่จะแทนที่จะเป็นปลาใหญ่ซอยปลาน้อยกลายเป็นปลาใหญ่กินปลาๆคนเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีแล้วไป ไปถามเศรษฐีจักผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าโอ้ยพอดีกับอ่าต้นเสาอ่าพอดี เอ่อตั้งนาฬิกาได้หม่องคักๆคือตั้งบ่ให้เบิ่งให้เบิ่งอยู่แต่เบิ่งบ่ น. เนาะเอาเท่าใดนี่เอา 10:00 น. น, นเอ้า เป็นทุจริตมันบ่สุจริตดอกเอาทุจริตคักๆเจ้าไปป่นเขาเป็นกรรมโสเป็นกรรมบาปหรือกรรมบุญอ่ากรรมบาปไปคอร์รัปชันไปขี่โกงพวกนายบริหารพวก นั่นน่ะเขาก็โกงกันซะล่ะหรือว่าปล้นเอานี่เขาคัดเอาปล้นนี่เป็นกรรมชั่วได้เงินมา บ่ให้นี่ลูกก็บ่บอกแล้ว 7 ล้านกอดไว้นี่มันเป็นซับแท้ ศาสนาพุทธแห่งกรรมนี่น่ะเป็นของของตน เถียงบ่ได้หรอกบ่ไปปล้นเขานี่เป็นกรรมชั่วหรือบ่ชั่วคักๆมันเถียงบ่ได้ดอกไปโกงเขาก็คักนี่น่ะพวกคอร์รัปชันพวก เขาสอนกันแห่ใครโกงก็อย่างนั้นน่ะมาก็ได้รวยแล้วยังไงก็เอามาถวายพระแน่มา <c oughs> ขปากชัดนะนะโมมันปากจัดเขาเป่าผิดเขาจัดปากจัดเว้าชัดนั่งเรียกขนาดธรรมดาอีหลีเลยเสือกรรมคู่มือคู่เวร ปฏิบัติธรรมมาหลายสาตรแล้วสาที่มาสอนศาสนาเนี่ยอาตมาบ่ได้เฮียนออกสอนจังบ่คือ 200 ปีแล้วเขาก็สอนกันมาจังซั่นสอนกันมาอาตมาก็มาบอกว่ามันผิดไปสอนให้คน ผู้จักเก็บงํามาจักจะสุรุสุรานั่นแม่นแต่อารักขะแปลว่ารักษา ขั้นเจ้ามีขี้บาทแล้วก็รักษาขี้บาทให้นี่ล่ะสะสมห้อยมีหลายๆขึ้นหลายๆขึ้นเออเจ้ามีขี้บาทเจ้าก็รักษาให้มันขี้บาทหลายๆคืนๆขึ้นรักษาฮะ รักษาก็แปลว่าเฮ็ดให้มันดีขึ้นอันไหนมันเสียอันไหนมันสั่ว อย่าให้มันไปผ่านไปผ่านบ่เข้าเรื่องอ่าอันใดก็มันเป็นเรื่องเป็นร่าวประโยชน์เอ้าเป็นประโยชน์ ควรเก็บงามควรดูแลรักษาให้มันอย่าสูญเสียอย่าเสื่อมอย่าให้ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่าไปแปรแนวเดียวเลยวะ ลักษณะของพระเจ้านี่ไม่เสสสมไปแปลรักษาว่าสะสมผิดนะเฉพาะที่อาตมามาพ้อกัน มีสมาธิฎีกาหมายความฮู้ทิศฮู้ทางแล้วว่าเออโลกนี้ สนุกยังโมเนี่ยมันเป็นกิเลสมันสูญเสียรู้ทิศ 8 มิติ 9 ก็สูงขึ้นไปเป็นสกิทาเป็นอนาคหาเป็นอรหันต์ให้ได้ 9 จัง ฮู้จักอรหันต์เฮียนฮู้อรหันต์สามารถเป็น ครับอาตมาเสื้อมื้ออธิบายให้เจ้ารับได้เสื้อมื้อนะเอาของยากนี่มาอธิบายอ่า จังว่ามันบ่มีโอกาสก็จะ 9 ก็ไป 8 ก็ซ้ําฮู้ท่างเป็นโสดาบันเป็น 8 มิติที่ มีนิพพานรู้จักนิพพานรู้จักอรหันต์ เอาหรือขนสัตว์ของพระพุทธเจ้ามาสืบสานให้มนุษย์หรือขนสัตว์มีนิพพานแล้วจิตว่างจิตศูนย์น่ะมีอนัตตา ผู้ใดสิเอามาให้ก็บ่เอาเอาเอาฟังไปจังได๋ เอามาปลูกฝังให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปให้งอกงามให้ทางทำทาง อ่าใต้เก็บหนังสือใส่หั่นใส่นี้ใส่อันใดที่มันพอเป็นประโยชน์อันนั้นนี่เฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์ก็เอามาสร้างสรรค์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ พอได้เอาเงินมาใส่นี่เงินมื้อนี้น่ะบ่ได้เข้าไปหนีแล้วนี่เป็นหน้าบุญ ผู้ที่ถึงเข้าถึงเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วบ่ต้องการตัวของตนอัตตนิยาแปลว่าของตัวของตนอัตตาแปลว่าตัวตนบ่เป็นของตนบ่เป็น เจ้ามีข้าวก้อนนึงให้หมากินนี่ก็ได้บุญแต่ก้อนทอกันนี่ล่ะบ่ได้ให้แต่บ่ให้หมาเอามาให้คนกินคนธรรมดาคนดีธรรมดา ก็มาให้คนกินดีกว่าแห้งข้นก็มีราคาต่างกันคั่นเอาข้าวก้อนเดียวนี่ล่ะให้ ราคาบุญก็แฮงแพงกว่าขึ้นไปอีกเค้าก้อนเดียวทอกันนี่แหละให้คนธรรมดาคนคน ฆ่าผู้คนธรรมดาบาปเท่านี้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าบาปหลายกว่ากันนับบ่เออมันราคาบาปมันก็ฆ่าคนคือกันนั่นล่ะราคาบาปมันก็ต่าง เอาเป็นเจ้าอสงเนี่ยกล้าทํางานซอยเหลือเฟื้อฟ้าตัวเองสิกินใจใส่ผู้ใด สร้างสรรค์ไปจังสิล่ะเป็นการสร้างชีวิตแม้แต่สิเอารักเกณฑ์เข้ามาควบรัก โตตนกิเลสอีหลีกิเลสหมดอีหลีแห่งพุทผลสูงสูงสูงศีลรักมวลมนุษย์อ่ารักเป 10 เป็นพุทธภูมิตัวเองแห่ง นั่นบ่ล่ะแท้แห่งเก่งขึ้นเนี่ยเก่งไปเฮ็ดหยังคั่นทางโลกแล้วเก่งไปเฮ็ดหยังทางโลกขึ้น ก็เป็นล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญล่ากามเอามาเสพให้แก่ตัวเองแห่งเก่งก็แฮงไปโลภแฮงไปดีใจได้ได้สรรเสริญมากก็ดีใจได้เสพ โลภียสุขนั่นแหละตัวสําคัญตัวหลอกหลอกแท้นะเป็นสุขเป็นหยังอย่าเป็นสุขโอ้ยกําไรโอ้ยต้นทุนไป 100 เดียวได้มา น่ะครุ้มครัวโมโหสิเป็นจังซั่นน่ะคนในโลกก็จังซี่ล่ะแฮงเก่ง แต่แกยังค่อยๆมามาแห้งก็บ่ได้ย่านตายเท่าใดมื้อนี้อาตมาเคยบอกว่าเอาวะนะให้มัน โอ้ยสู้กับกิเลสนี่ฝืนมันเลยเอามันน่ะบ่ยอมกิเลสเอาชนะกิเลสเลยให้มันตายลองเบิ่งคั่นขาดใจตายอีรีเนี่ยอาตมาเคยบอกว่าก่อนตายบอกแน่เด้ออาตมาสิไปจดชนะกิเลสนะ เอามาติก็ลองเบิ่งก่อนอื่นน่ะชีวิตของเฮานี่นะต้องไปเลิกอันใดที่คิดว่ามันสิเลิกก่อนได้ฮู้ เอาแล้วซ่ําว่าซาบึกเกลือกับเผ็ดอันใดมันสูงกว่ากันน่ะท่านเอาเผ็ดกับเกลือมาว่านี่จะสิเอา มันบ่จริงนี่คนบ่จริงคั่นคนที่บ่ติดแล้วว่าโอ้ยสิไปเอายางเพช็ดอย่าสิไปว่าว่าเอ้อก็เอาเพช็ด คั่นเอาเงินมากองไว้เข้าเค้าจะหยิบปานได๋แล้วคนที่ฮู้สัจจะอีดีนี่ให้ตายเลยเป็นเงินเป็นล้านกับเค้า คั่นค้นถึงอีหลีแล้วบ่เอาสิเอาไปเฮ็ดหยังล่ะเงินเฮาเอาไป คนเฮาอันอาตมาสิขอจบนําข้อไขอีกอันนึงก็คือคนเฮาเป็น ได้ชาญแล้วก็โอ้ยลาบยอดสันเสือนบ่เอาเฮ็ดอีหยังก็บ่เป็นอะไรนี่เพิ่นถิ่มนี่เพิ่นบ่เอาเลยนั่นลาบยอดสันเสือนอีหยัง 10 ปี 20 ปี 30 ปี 50 ปี 80 ปี 90 ปีบางคน 100 ปีพุ่นนั่งอยู่ซั่นละตายทิ่มไปบ่ฮู้เรื่องยังเลยเฮ็ดกินกับ เอาแต่เข้ามาถวายนั่งกินนั่งอยู่เงินก็บ่เอาเด้อล่ะมักน้อยบ่บ่เอาหยังแนวนี้บ่ 8 นี่เพิ่นสอนไว้ของทางปฏิบัติไป จักหน่อยพอมีคนมาตุติติงจักหน่อยก็กันเถียงกันลดกิเลสของตัวเองๆหมดหรอกคว่ําทํานานการคิดก็คิดเป็นวาจาเว้าก็เว้าเป็นกรรมมันตะเฮ็ดการเฮ็ด คนของผุดจังบ่มีสมรรถนะมีความราคาค่าความสามารถของเฮามื้อนึง 1,000 สมมุติว่าซั่นเจ้าก็คู่มื้อก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เฮ็ดงาน 200 300 มา, 300 แต่เฮาก็เฮ็ดงานในการไป เหลือเท่าใดล่ะบัดนี้สมมุติว่าเอากินใส่เอาให้ละหลายเหเหเห 3 500 เอามา ห๊ะฮะอ่ายอมรับแล้วได้อยู่ครับแต่บ่มีผู้เฮ็ดมีผู้เฮ็ดนี่ผู้อาตมาพวกหมู่เฮานี่เฮ็ดพวกเฮาได้ฟื้นอีหลีเฮ็ดอีหลีเฮ็ดอยู่จังว่าในอโศกเฮาเนี่ยมีชุมชนเดี๋ยวนี้มีชุมชนหลายชุมชนเป็นชุมชนที่บ่มีอบายมุขบ่มีเหล้าบ่มียาบ่มีไผ่บ่มีเปาะบ่มีหยัง ทำงานฟรีอยู่หั่นล่ะอยู่ในหั่นกินในหั่นล่ะให้ได้เท่าใดก็เอาเข้ากองกลางแล้วก็บริหารเงินนั่นไปมีผู้ ขายสดน่ะเอิ้นว่าเครดิตเนื้อเครดิตน่ะบ่จะซื้อไปเป็นหนี้ผู้มาน่ะเอาล่ะสําหรับมื้อนี้ก็เทศพอมีเวลาได้เว้ากันเลยไป 8 นาทีแล้วนี่เป็นธรรมดาอาตมาให้เท่าใด๋ให้เท่าใด๋ก็เลยได้ตลอดน่ะมันมีแนวสิเว้า อาจารย์ว่าจะพยายามสิเว้าก่อนตายนี่ก็เฒ่าขึ้นมาแล้วแต่คนก็พยายามสิมาเปาะเลาะ มันก็เสียศาสาดเกิดบ่เสียดอกได้จะได้ซั่วไปได้บาปไปสิกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมนี่แล้วมีแต่คิดข้างใน โอ้เมียบักนี่มันงามไว้เอาเมียมาแต่ราคาผัวมันเสียเอาเมียมันมาบาปแล้วเจ้าคิดอีหลีน่ะบาปอีหลีน่ะมันเป็นความจริงเจ้าคิดอีโอ้เห็นมันเมียมัน เลือดของกรรมมันเป็นจังซี่นะเป็นของจริงบอกแล้วว่าทรัพย์อีหลีนี่อยู่ที่ ขยันสร้างขึ้นมาขยันมันก็เกิดเฮามีความสามารถก็เกิดเกิดมาแล้วให้เข้า 56 เคยได้ยินมา ถ้าก็มาให้ได้ยินนั่นล่ะแฮงให้หมดต้นหมดตัวนี่แฮงได้เต็มๆง่วงเอาไว้เจ้าก็บ่แม่น จะตายไปแล้วจะบ่อ่ามีแต่ว่าเค้าสิญาติอ่าเจ้าบ่ให้เค้า <c oughs> ตายแล้วบ่เขียนภิไนกรรมเขาก็ต้องเอาแต่ว่าภิไนกรรมเนี่ยมันเป็นความจำนงมันจำนงแล้วมันต้องเขียนพิตีว่าใครเขาบ่ต้องให้เขาก็เอาจังว่า เจ้าให้บุญเจ้าให้ลูกให้เต้ามันรู้ให้ลูกให้เต้ามันก็ให้ด้วยความเห็นแก่ตัวมีติต่ําๆขณะให้ผู้อ่านี่ก็ฟังไว้นะเนี่ยบ่ได้สิเอวัง แหงบอก 43 พุ่นน่ะโอ้ยแหงบอกว่าแหงไปเรื่อยๆ em đời thần thoátแล้ว ทั้งหลายจง <San>